การท่องเที่ยวในวัฏสงสารมาเจอมาจ อ, ม า, จอมาพบมาเห็นแต่อเิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นใด้ไ ด, ได้ในโลกล้วนอเนจจังไ ด, ได้ในโลกล้วนทุกขงังไ ด, ได้ในโลกล้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนาะทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยจงเห็นความกำลมหายใจเข้าออกพอเราบัญญัติว่าลมหายใจเข้าออมันก็เป็นอดีตไปแล้วพอเราบัญญัติว่า กลางลมมันก็เป็นอดีตไปแล้วพอปัญญาตัวท่ายลมก็เป็นอดีตไปแล้วพอปัญญาตัวลมออกมัญญาตัวเป็นท่อนลมมานี่ก็เป็นกลางลมมานี่ก็เป็นท่ายลมอีทีนี้นี่ผู้ผู้ภาวนาใกล้ผู้ภาวนาใกล้พอลมรู้สึกว่าลมผ่านเข้าก็เป็นอดีตไปแล้วพอรู้สึกว่ากลางลมในปลายจมูกก็เป็นอดีตไปแล้ว เขาเรู้สึกว่าท่ายลมที่สมมุติขึ้นก็เป็นอดีตไปแล้วพอสมมุติว่าต้นลมหายออกเขาเป็นอดีตไปแล้วสมมุติว่าต้นลมในเวลากําลังหายออกขณะกาเก็เป็นอดีตไปแล้วท่ายก็เหมือนกันไม่มีไม่มีข้างหน้าข้างหลังหายใจออกหายใจเข้าไม่มีข้างหน้าข้างหลังผู้ถือว่าไม่บาปไม่มีบุญก็ไม่มีข้างหน้าข้างหลังผู้ถือว่ามีบาปมีบุญก็มีข้างหน้าข้างหลังผู้พ้นไปแล้วก็ไม่มีข้างหน้าข้างหลัง พูดตะเกียบตกายอยากกระพุนก็ไม่มีข้างล่างข้างหน้าข้างหลังผู้กําลังเริ่มเรื่องสพระพุทธศาสนาก็ไม่มีข้างล่างหน้าข้างหลังเอกผู้ที่ถือไม่มีบุญไมีบาปก็ไม่มีข้างหน้าข้างหลังเอกจริงอยู่ไม่มีกลางวันกงคืนเธอจงรู้ธรรมเป็นจริงสักพระพุทธเจ้าสอนสอนธรรมะชั้นสูงสอนธรรมะชั้นสูงก็คือศีลชั้นสูงคือสมาธิชั้นสูงคือปัญญาชั้นสูงนั้นกัน เธอจงรู้ตามมันจริงปฏิบัติตามมันจริงหลุดพ้นจากความหลงตามเปนจริงซักเพื่อเธออยมาท่องเที่ยวในวัฏสงสารอีกเลยทานศิลภาวนาทําไว้ทําไมสําหรับชำระกิเลสแล้วทําททไมเราจึงอาบนา้ําเพราะมันสกปรกทาไมเราจึงรักษาศีลธรรมเพราะจิตใจมันสกปรกจิตใจจะสะอาดก็เพราะรักษาศีลธรรมตามส่วนก้อนข้าของเหตุตามสติกําลังของตนที่ทาน้อยและมาก ทำชั้นสูงผู้ต้องการพ้นทุกข์ในปัจจุบันนาีาดแล้วก็ต้องพิจารณาทุกข์เป็นอารมณ์ผู้ต้องการไปสวรรค์ก็พิจารณาพุทโธธัมโมสังโฆเป็นเบื้องต้นไปเสียก่อนแต่เนี่ยแต่ว่าถ้าจิตใจสูงแล้วก็พุทโธก็โอนถึงพระนิพพานได้เหมือนกันพุทโธไม่พามาเกิดพุทโธไม่ามาแก่พุทโธไม่พามาเจิดพุทโธ ไ, ไม่พามาตายพุทโธพาเข้าสู่พระนิพพาน พุทโธไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงทำโมก็ทรงไว้ซึ่งไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงสังโฆก็ประจวบเพื่อไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงผู้คิดสูงก็โอนขึ้นสูงคําสอนแต่ระบาดระบาดส่งต่อพระนิพพานหมดนะโมพระโสดาบันนะโมสัจปาคาเมนะโมพระอนาคามินะโมพระอรหันต์นะโมพระโสดาบันไม่สงสัยจะล่วงละเมิดศีลห้าไม่สงสัยอยากจะเลีนอบายยมุก ไม่สงสัยจะถือาศาสตราอื่นไม่สงสัยจะถืออยู่ยงคงกระพันเรียกว่านามโมพระโสดาวันนอบนอมอย่างนั้นนโมสักกาคาเมะละเอียบไปกว่านั้นนโ ม, มพระอนาคามีเสียไม่มีราคะไม่มีโทสะนอบนอมจะไม่มีราคะนอบนอมจะไม่มีโทสะแต่โมหะมีนิดเดียวส่วนนโ ม, มพระราหารันเรียนนโมจบแล้วนอบนอมจะไม่มีราคะโทสะโมหะ น้อมๆจนขึ้นความหลงของตนไม่ยินดีในโลกทั้งภูทั้งอดีตทั้งอนาคตด้วยเรีนนโมจบแล้วบาปก็นอบน้อมละพอแล้วบุญก็นอบน้อมสร้างพอแล้วก็เลยนอบน้อมทรงเหนือบาเหนือบุญพระรหันยกงว่าเรียนนโมจบพุทธทางข้อมันนันกันแต่นโมโลกียก่อนนโมเรศนโมผาณโมวัติโมเมศนพัฒนโโลกีย เด็กก็ได้บุญเหมือนกันแต่ ว, ว่าเป็นบุญโลกียังไม่เป็นบุญโลกุตระบุญบุญโลกุตระหมายเอาพระสดวดธรรเป็นต้นไฟคําสอนของพุทธศาสนาเป็นโลกุตระคําสอนไม่ใช่โลกีคําสอนที่เอาโลกีมาปนไปก็พระเอาคําสอนศาสนาอื่นมาปนผู้ที่คิดใจเห็นไผในว่าตายสองสามแล้วให้ทานรักษาษศีลภาวนา ก็เพื่อพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารโดยด่วนในปัจจุบันชาติเท่านั้นปัจจ mm hmm. ุบันชาติคืออะไรปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมอันใดที่รู้ตามเปนจรงิงปัจบัติตามเปนจรงิงลดท้นตามเนจริงโดยไม่เหลือจงรู้ตามเป็นจรงิงปัจบัติตามเปนจริงลดท้นตามเนจรงิรอจรงอยู่ทุกข์มาเถิดนี่ีืกว่าปัจจุบันชาติผูเห็นภายในวัฏฏสงสารอย่างเต็มที่ก็เพื่เปิดประตูพระเนปาลอย่างเต็มที่ก็อันเดียวกันศีลก็เป็นศีลที่สูงแล้วสมาธิก็สูงแล้วปัญญาก็สูงแล้ว ไม่ใช่ศีลอยู่ที่แห่งหนึ่งสมา ธ, มาธิอยู่ที่แห่งหนึ่งปัญญาอยู่ที่แห่งหนึ่งเมื่อศีลแก่สมาธิก็แก่ปัญญาก็แก่เหมือนกันปัญญาเป็นนายหน้าของศีลและสมาธิปัญญาเป็นนายหน้าทุกหมวดของธรรมะปัญญาของพระอรหันต์เป็นปัญญาที่ชนะความหลงของตนโดยชิ้นเชิงแล้วไม่มีความหลงเลยถ้าไม่หลงก็ไม่โลคถ้าไม่หลงก็ไม่โกรธมันหลงมันจึงโลคจึงโกรธความหลงเป็นแม่ทับใหญ่ของกิเลส แต่ปัญญาก็เป็นแม่ทัพใหญ่ของทางทำมวิรัยของพุทธศาสนาเหมือนกันความหลงใครชนะความหลงได้ก็ด้วยปัญญาโลค ก, ก็เหมือนกันโกรธก็เหมือนกันสิ่งไหนที่เห็นภัยเต็มทีแล้วสิ่งนั้นก็ไม่ลําบากท่านโสนาบันท่านเห็นภัยอ่างเต็มที่แล้วท่านก็ไม่ลําบากหัวใจถือเป็นของง่าย ไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดศีลห้าไม่เสียดายอยากจะล่วงอบายมุกไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกับพันไม่เสียดายอยากกับถือหลักดีามีไม่เสียดายอยากจะฆ่าขายเครื่องประหารฆ่าขายมนุษย์ฆ่าขายสัตว์เป็นเลื่อดสัตว์ที่ตัวข่าเพื่อเป็นอาหารฆ่าขายน้ำเมาฆ่าขายยาพิษการฆ่าขายห้าอย่างนี้พระโสดาบันไม่เสียดายอยากประกอบเลยเพราะเห็นดิ่งลงไปแล้วเห็นทาง ข้ามพ้นทุกนายว่าตาสองสารแล้วไม่ถอยหลังไม่แวะใต้และขวาด้วยถึงจะเดินช้าหรือเร็วก็ไม่สงสัยในทางเดินของตนคือด้านปฏิบัติปิดใจใน ด, ด้านความเห็นเห็นชอบในสมาธิเบื้องต้นเห็นชอบในสมาธิเบื้องปลายคือพระอรหันต์ทั้งหลายเราได้พ้นไปแล้วเราได้ละพยายามละพอแล้วเราได้พ้นไปแล้วเรียกว่าสมาธิชั้นชุดท่ายของพระพุทธขอพระพุทธศาสนา คำสอนใดๆ ใ, ในใจโลกธาเป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาหมดอยู่ในตัวใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาเป็นจริงอยู่อย่างนั้นแลกฎดหมายกัดหมู่กัดพักกัดผู้ตั้งขึ้นแล้วไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดสิ่งไหนที่ส่งเสริมราคะให้จัดขึ้นสิ่งไหนที่ส่งเสริมโทสะให้จัดขึ้น สิ่งใดที่ส่งเสริมโมหะให้จัดขึ้นสิ่งนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธศาสนาะใครเอาไปปฏิบัติก็ผิดทั้งนั้นถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีในทางพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ไม่ยอมเชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันคดีดำคดีแดงในโรงในศาลมันจบกเกษียณเป็นกรรมและผลของกรรมไม่ํำเอียงเข้ากับลัทธิใดๆเลย ให้ผลตามส่วนควรค่าของเหตุอยู่ที่จิตที่ใจของแต่ละท่านแต่ละคนที่ทำขึ้นที่ว่ากาไดใครก่อก็ ค, อคือคิดใจเป็นผู้ก่อขึ้นติดตามไปจ น, นชาติเข้าสู่พระนิพพานทางชั่วก็เหมือนกันทางดีก็เหมือนกันเหตุนั้นจึงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนบริบูรณ์แล้วไม่มีสิ่งที่บกพร่องเลย จึงยืนยันว่าสัตวังสรัพยันฉนางเกวัรัปริปุนังปริสุดทางผมม่ใจอย่งประกาศเสสิบริบูรนทั้งเบื้องต้นบริบูณ์ทั้งท่ามกลางบริบูรณ์ทั้งสุดท้ายเบื้องต้นคือทานเบื้องกลางคือศีลเบื้องท้ายคือปัญญาี่เบื้องต้นคือพระสวดาวันเบื้องกลางคือสตาคามีอนาคามีเบื้องท้ายคือพระอรหันก็ถูกเบื้องต้นคือศีลเบื้องกลางคือสมาธิเบื้องท้ายคือปัญญาก็ถูกแต่ว่ากลมกลืนกันอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่อยู่คนละมุมโลก เหมือนร่างกายของเราถ้ามันแก่หนังมันก็แก่กระดูกมันก็แก่เนื้อมันก็แก่เหมือนกันฉันใดก็ดีถ้าศีลแก่สมาธิก็แก่ปัญญาก็แก่ทานศีลแก่ทานแก่ศีลแก่ภาวานาแก่เหมือนกันถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่อนก็อ่อนด้วยกันหมดเขาไปด้วยกันแยกกันไม่ได้เหมือนเชือบสามเกลียวแต่ว่าปัญญาเป็นหัวนหน้าเขาผู้ไม่มีปัญญาก็ให้ทานไม่ได้ผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาศีลไม่ได้ ผู้มไม่เป็นมีปัญญาก็เริ่มใส่พระพุะทธธรามประสงค์มาได้ผู้ไม่มีปัญญาก็ทำสมาธิไม่ได้อันเดียวกัน พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี่ก็ดีที่มาในมาในที่นี่ก็ดีหรือทั่วทั้งไตโรโลกาถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างได้ทําผิดกันด้วยกายกับกรรมสามเมื่คีกรรมสี่มโนคํามสามอันใดอันหนึหน่งก็ดีพวกเราทั้งหลายทุกท่านหน้าทัองท่งานไตรโลกาจงให้อโหสิกรรมแก่กันและกันทุกท่านหน้าอยู่โดยทุกเมือ่อผลชดท่าพวกเราทั้งหลายทุกท่านหน้าทั่วทั้งไตโรโลกาจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ในบาวรพุทธศาสนาของพระสมัยพระพุทธเจ้ายิ่งๆขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบทุกท่วหน้าทัว่วงทั้งไตรโลกาอยู่ทุกเมื่อเธอขออภัยขออภัยครั้งเดียวครบไตรโรกธาตุเลยมีปัญหาสอดเข้ามาว่าเราทาวัดทั่วทั้งไตรโรกธาตุมันไม่บาปหรือมันไม่บาปเพราะเราเคารพทำอันไม่มีเวบในไย เราเคารพธรมันไม่มีเวรไม่ีภัยมันไม่บาปมันมีแต่จะได้บุญมีแต่ปลดเวรปลดภัยเวรจะหนีจากเวรก็พระไม่จองเวรไัยจะหนีจากภัยก็พระไม่จองภัยนี่ก็ไม่เดียวกันเอาละนะเจนี้นะพราะบ้านอยู่ไกลก็จะได้กลับภาวนาไปเนอะภาวนาพุโทโธพุธโทโธไปจึงไม่เป็นอันตราย ขึ้นรถขึ้นเรือภาวนาพทุทโธไม่เป็นอันตรายไปทั้งไรก็แล้วลึกถึงนั่งเรือในรถในเรือก็แลลึกถึงพุทโธพุทโธโยเป็นอันตรายว่าพบอันหารว่าผลานอันหายทำโมสังโคเยอะน้ำกันหะัะแล้วลึกใดไเลื่อกใด้ถึงซึ่งพระพุทธธรรมประสงค์อยถูกเมืองหมอบ ก, กายสบายชีวิตอยู่ถุกเมือตจากกระเถ่าเขาสู้ไม่ผ่านผลจากสุกราวตาทารงสาร อยู่ทุกงานบ่มีประมาณบอกขาเธอนน่าตอนในห้องเคียดหลาบเคียดหลาบแม่วาจาสงสารเกิดมาแหน่วอไรมาผอดจแกจะเก็บจะจ่ายบ่แม่น่วสมประสงจากแน่วเลยมากก็มากจะมือมากก็มาที่ใจดวงเดียวไปไปทียใจดวงเดียวน่ะนีบาปกับบาปไปน้ามิบุญเอาบุญไปนํามิบมญบาปไม่บุญกเอามรคนในผ้านไปเข่าช่พนในผ้านเลย ผู้แม่บาปก็เอาบาปไปนังพ่อแมบุญก็เาบุญไปนั่ผู้สางทั้งบุญทั้งบาปเอาไปทั้งบุญทั้งบาปู้สางทั้งบุญเอาไปทั้งบุญชวนพระอรหันต์สางบุญพ่อแล้วบาปก็เวนพ่อแล้วเพื่อนก็ะไรเขาสูเพืนผ้ามู่เห่าในบาปกรยั่งละว่ทนพ่อบุญกระสาวว่ทนพ่อก็ต้องสางไปท่ันพ่อละกันพระนกอนมัน่าเฮ็ดไปทำอะไ้เป็นพระอรหันต์เราท่านไ่ได้เป็นพระอรหันต์กับพระอาาคขาไม่เพาเอา เม่อไรพระอาณาค่าเมียพระสกทาค่าเมียก็เอาเมื่อไ้พระสคทาฆ่าเมียกับพระสวัสบัก็เอาเมื่อไรพระสดา์บันก็ไปพระเกิดในพุทธมรรนก็เพิ่มว่าเอาเมื่อไรประเกิดในพุทธมโรคกับจะเกิดในสวรรค์ชันนิษฐานหนึ่งว่เอาไมื่อไรเกิดในสวรรค์ก็เกิดเป็นมนุษย์สันนดษนหนึ่งก็ว่าเอาหรือที่เอาจะไปมรหกงั้นปัญหาความันอุปมาขึ้เฮาแค่ยกงานแไทแค่หน้าแคไปแค่เพาะไม่ได้เป็นเศรษฐีเรา เมืนเน่อ เ, เป็นเป็นเศรษฐีกับพอดีก็ขอบั น, นกินบอาะว่ากันเดียวไปไงแวเอาละไรเนาะซ้เนาะมันโดนล้ายมันกรับมาบานมันสาเนาะขอห น, า, า, หนาพระทศไปเน้ะจงทำจิตให้บันเทิงในการละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายปรนโยชนลงมาละาเนี่ยยน์้องม า, วว า, งมาคิดใจันคนถึงพระพุทธศาสนาอารลบของของคนถึงพระพุทธศาสนาก็ไปในทังบุญหลายด้มันนึงอันนึงกันนึอันนึงละ่ะ พุทธธรรมโอทังโขพุทธธรรมโอทังโข่าทำกทุกประชุมน้าผู้หวังผลทุกนายวจารงสาที่จะหน้ากองทุกที่จะหน้าอันนี้จังทุกครั้งนาฬิกากลมกลืนกันนัณะเดียวคของเขาล้มพ่ายแต่สอกมั่นกับว่าสงสัยในโลกทั้งปวงเห็นอันนี้จังคณะคิดหนึ่งเห็นโลกทั้งปวงแล้วเห็นหลอกโลกเห็นทุกคณะคิดนึ้นเห็นหลอกโลก เห็อารักาว่าเป็นสัตว์มนุษยคนผูอยู่ในอำนาจวาสนาผู้ใดเป็นไปตามสภาว่าถ้ำเกิดึุ น, นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายก็เห็นโลกรอบอออนั่นอองที่สั่งโลกย็นไปด้วยอันนี้จังทุกครั้งอารักาทั้งอดีตทั้งอ น, นาคตทั้งปัจจุบันผูกขาดจองขาดยึดโยกทุกทำไมเนี่ยคนสงสัยลโลกเสียม่จากวัตถไหนแต่มันเห็นสักเห็นสักความเขาหายใจผ อ, อ, อ, อมกับ ค, ควนมือก้มคิดอีกด้วย มันกับผสงใส่ไปใส่ไปแต่เมื่ามันผสมใส่ไปไสความเพลินของมันก็คอยรุดลงรุดลงรุดลงในวาจาสงสารความใช้สิยาศ ก, กับ็ระเกินขอบเขตมานี่เบรกด้วยสยาสิยาในสิงท์สหาไแม่มาในทางที่ชอบมันก็มีขอบเขตอีกสิ่งเย็ดใจมันก็เปิดพระสูรภายในผ้าเลือนใส่ในทางลดพลิ้งเดียวพิงนิ่งสันตัวหนัดเพื่อตัวศีลหนัดเพื่อตัวธพรมะพิหนันเพื่อตัวปัญญา เมื่อใดเห็นทำทั้งหลายมาเที่ยงเป็นชุบเป็นนาฏกาเมื่อนั้นย่อมระอาย่อเมเบื่อหน่ายความหลงของเจ้าตัวที่เคยลงมานั่นเองเป็นศีลนิสุทธิสมาธิวิสุท ธ, ธิปัญญาวิสุทธิกลมกลืนกันอวิชชาตัญหาอุปาทาก็อยู่ในเขตที่จะแตกระเจิงไปถึงศีลวิชิตท่านหาตัญหาราแปะก็ตามปัญญาไห้จะแก้ต่างที่ฟันมากมุนทองผู้ใดเห็นอ น, นิจจังชัก พท่นั้นรู้จักรคนฆ่าของพระพุทธศาสนาเท่านั้นได้รวงลาเห็นธรรมแล้วดวงตนปัญญาเห็นธรรมแล้วถึงจะมีกิเลสอยู่ก็าตามท่านเหล่านั้นก็จะชนะกิเลสได้ใ น, นในวันใดวันหนึ่งวินาทีใดการที่หนึ่งโดยชิน้นเชิงพระรู้จักวางยาแล้วโรคก็ต้องหายอะไรนะ วนาเนะตนนาคุณโทโทษไปจังพวกอบอาหารเรพลาดอ่างหายน้อบักีเมา่ยัดไปไปบักไดขีเมายไปแทงมันแ่ันแันมันมันมันมัเมันมันกัอนเันแั่มัันมันมันมันมันมันมันมัมันมันมมันมันมันมัมันมั้มัมนมันมันนมนมมันันมัมันหัมันมันมันันมันมันมะมันมินันมนมันัมันมัันันนมันนันมันันนมันนมันนมันมันมันมนมันม มันดาม่าไงมันจะไปแบบคืองงถ้ามันเม้าอยาบ้าพวกขับรถชิดชิบหรอมันจะกินยามาหาเนี่ยมันก็จะไปแทรกเนี่้รถเป็นจรวดยาสุไสแซงเป็นจรวดจังแซงกันท่องแซงไปแตะขั้นหลังก็มากขั้นหน้าก็มากแซงกันไปทั้งสามทีละที่จะคอยหาหน้าที่หัวหน้าที่จะคอยไปคืนนากันนว่าขั้นอื่นมากก่าพอดีอรอมันก็ะบึงมายามเต็มเต็มทีได้ขันอื่นมากมากข้งหนึ่งเคือกันมากั้างหลังเลคือกัน มาเขาเป็นสะอนกับเี่เขาป็ดสดอย่างนี้สมมดีพระท่านไดีบอกเาสั่งว่าเพราะเขาก็เข้าใจว่าถ้าสีเรียนกันเวรเนี่เขามาไกลเขายาเห็นถ้าก็เบึงมาเขาบริหารดีก็หั่นมันกำลังแฝงเนี่มันจะออกก้อนหรอเขากระเทาใกระเทาันก็เอื้อเดียวต้องมแลนดฮอดทีไรของท่านอลยไปฮอตใส่กับเบียร์พรท่านเนี่ยเท่นั่นนี่ะเขาบอเคยมีรถเขาหามองเห็นอยู่ห้อเคยมีตะเกียบใน้าง ไปอะไรวะเลยพาะเวสสุธที่พุ่นแล้วปัญญาคุนหรือพระมหากรุณาคุ่นกระซามันกับโมมีประมาณโมมีวันไหวโมมีวันว่างทีขยายออกกับโมมีวันขยายมันเต็มเราได้ใจโลกธาและจักรวาลย่นเขามากมมันย่นแนนอีกติ้งอยู่หาวันว่างเขาบ้ได้หามันใส่เขาโมมีหามันไปวันมาเขา่มมีดินตอนหนึ่งเม็ดทิ้งม็ใส่ตอนนึงม็ทท้งเพินมัดน่ะเฟิน่มาไป็นภูหยาดกระโม่เฮา พ ล, ลังแบบโซเฟนข่าสูซเฟะย่าผ่านเพ่พออ๋อกากล่งบ่มบ้าแลยเพื่อนมูเฮ้าอยู่ในโรงบ่มบ้าพระสัทวันนละบ้าไปเป็นเอกเทศแล้วบ้าโรค บ, บ้าโคตรบ้าหลงส่วนที่ไปมรรคหกละได้แล้วส่วนที่ไปเป็นทรัพั์เจริญสารขบมาละได้แล้วส่วนที่ไปเป็นเพดตะไปใช้อาชีพรกายพวกสัมภเภสีกุฏิก็ไปเพดทุกตําพวกกุดี เว้นแล้วก็ช่วยชาวบ้านบ้าบ้ายงาพระสังฆทาข้ามี่กับละเอียดแต่เพราะนั่นบ้าหน้าข้ามี่บ้าโรกก็บ้าโกรธเว้นไปแล้วยังเป็นบ้าหลงอยู่แนยหลงในหน่อยว่าจะหลงร้ายส่วนพระอรหันต์ขำบ้ามาแล้วออกจากโลกพระยาบาลชี้ทั้งญาณเ้ยบ้าโลกบ้าโกรธบ้าหลงว่ามี่ออกจากออกจากคุกแก่คุกในโลกนี้ แคว่าโลกวัดโลกมันคุกบัตรก็มาโลกกับมันคุกคุกที่ได้แล้่ก็มัวมหาวิกีนรกนี่แต่ทุกข์รุ่นรุ่นทุกข์ในเมืองสวรรค์กับยังมีวันหันใจได้ทุกข์ในมนุษย์มนุษโลกกัยังมีวันหันใจจักหน่อยทุกข์ในทรัพย์เจ้าฌานทุกข์ในเพียรัสุรกายสันนรกโลกกันสันนรกแห้งวันหันววันหันใจมืดแปดด่านคุกมืด มู่เฮายัง้นคุกคุกลงปัญญาว่าท่านเหนือวามหลงสของก็ไปว่าท่านไหนจเป็นก็ต้องอ้ร่มปัญญาอ้่มปัญญาคนโ้ม่มีปัญญาใครท่านว่ได้รับพาเศียร่ได้พรนาว่ได้เหลือใช้พระพุธธรรมปรสงค่ได้นโอ้ม่มีปัญญาเหลือใช้ในท่าออกจากวตาสงสารว่ได้จาเป็นก็ต้องโอ้่มโมไม่่ไปตาสติกาลังของพนวันนี้ละมันฝนก็นอนท่าไว้สูสูสู้เห็ รู้กับว่าใดพระอรหันต์นะอาจารย์ว่าใดพระอรหันต์พระอาณาฆ่าม่เห็นว่เอาบะว่าใดพระอาณาว่าใดพระอหันต์พระอัฏพระอรหัตมักว่าเอาวะว่าใดพระอรหัตมักพระอาณาฆาม่ผลว่าเอาวะว่าใดพระอาณาฆาไ่ผลอาาณาไม่มัก่าเอาวะว่าใดอาณา่าม่มักครอพระสัพพะฆ่าฆาม่ผลว่เอาบะว่าใดสัพพะฆ่าฆาม่ผลพระสักพะ่าฆาม่มักว่าเอาะ เมื่อใดพระพระธาทมัตพระโสดาบันว่เอาวม่พระโสดาบันพระโสดาพัทธิมัติ่เอาบะเมื่อใดพระโสดาพัทธิมัตตายไปแล้วก็ด้วยอนิสง์ของสร้างพระมรณาไปเกิดพมรลกว่าเอาบะเมา่อใดพุทมรลกอำนาจของหายธาตุสินพระมรณาที่เป็นโลกีว่เอาวะสวรรค์จาตูงตาว่ีสายามารูสิจมันนี่นื้มาสตรีรนี้เมตตาวสตรีนี่ว่เอาวะ คำม่าไรอันนี้ตายไปเผอเิเป็นมนุษย์ว่าเอาบะหรือที่เอาแต่มากระหอกเงี้ยเดียวนั่นนี่เป็นปัญหาอันทั้งะพุกคิดกันเปิดพระตูพระโสดาบันก็เปิดประตูสัคขข้ามี่อัน้าขามี่อันหันไปได้ทั่วเพราะคนทา้งเส้นเดียวเน้่คนทางเส้นเดียวกม่ได้เดี๋ยวใส่เดี๋ยวขวัเนี่ยสี่ยางใส่ยางไว้กับ่ะอยหลังเแาะนี้ว่าแม่ถิ่มงก็นอนข้าคทางหันหงาขึ้นมากกัลกไปหันไม่ได้สงสไม่ได้สงสัยว่าจะไปทางอื่นอุปมาวันเนาะ นั่นของเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเกิดมาพบทรัพย์พบศีลดีแล้วสะไปเอาทรัพย์เอาศีนใสมาดี่ก็พระพุทธศาสนาอีกทรัพย์ศีลสิงข้านบไริวานทั้งภายในภายในตั้งนาไปสู้พระเนรพาณ์หมดคำสอนพระพุทธเจ้าบด้ว่าริีตั้งนามไว้อยู่ในโลกอันนี้เป็นเพอยู่นี่คำสอนพระพุทธเจ้าทรงต่อพระเนรพานเล็บลัทธิอื่นๆศาสนาอื่นๆ มหาอุบายเบียดเบียนพระพุทธศาสนาในทั้งกงและทั้งอ้อมทั้งไกไ่และทั้งไก่ลึกและตื้นมันก็พ่อปานกองทับนำไล่บ้วนเขินฝ้าเนี่ยเมื่อไต่โลกรธาเนี่ยบ้วนเขินฟ้ามันกับบะเถึงเมื่อไต่โลกระธาถิมั่นทำไล่พระพุทธศาสนามันก็แห้งสีลงมรรคบังไงหม น, น, นพระเทวทัตเนี่ยสันเกิดมาพบได้ชาติไดขอเหงษะทำเว้นทุกศาสตร์บวให้ขาดทอเม็ดไส้หัดน ะ, ะสุพระพุทธเจ้าแต่ว่าอะไรสัน พระพุทธเจ้าเปลนพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเทวธาตุพันธกับโลก ม, ม่หมอดหกคนแต่ว่าพันธกิจอะไรเป็นพระพัติเกศกันนี่แหละหากว่าจะว่ากรรมได้กันไหนยังจะได้เปลี่ยนนอนอะนักนักถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่นับถือพระพุทธศาสนาคดีดําคดีแดงในโรงในศาลมันจบเกษียณเป็นแต่กรรมและผลของกรรมมันจบเกษียณไปเป็นกรรมดีก็ส่งต่อถึงพระนิพพาน กรรมเชื่อก็ตามไปจนถึงชาติพเนผาแต่เมื่อเป็นพระทหานมันเป็ น, าา น, ปนอาวุธทกรรมแล้วมันก็ตามท่านไม่ถึงโดยเกติดโดยปฏิยายตามไปถึงกระซ้างทำไมกรรมตามไปถึงพระโมคขล่าพระโมคขล่าว่าไม่เกลียดกไ็ไปไปทุบจงแต่คันธ์ฮาเพื่อนมันก็ถือกัอนอุปมาณคือเขา เ, เขียยในห้าวส่งพื้นนันมังขาดห้วาวไปทิมแล้วเ ข, เ, เขาเขียยในห้าวเขาเราไปสวมไฟฮะเนี่ยมันก็ะถือจงแต่สง่งนะท่านไหนของห้าวทิมแล้ว ฉันนด่คือกันขันหาพระละหันพระถิมแล้วอ๋อเนี้ยผลของกรรมแต่สากรตามมาถึงก็ไปถึงจะขันหามันมาถึงโตเพิ่นซะเนี่ยจิตใจพระข่าสู้อยู่เหนือโรคปวดร้องประหลัดมันก็มาถึงเพิ่นอันมูเฮาบ่ณฑ์เพิ่นมันตามมามันก็ได้ทั้งหนังทังเขาเหรอตัวน่ะจงทาจิตให้บันเทิงในการละชั่วทาดีเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพันหย่อลงมาได้เนี่ย เพิ่มขนขยายเพิ่ขยายออกขยายก็ขยายออกจากใจเนี่ยค้นดีขันแห็ดร้ายก็ขยายออกจากใจคข้นข้นซัวขันเห็ดร้ายก็ขยายออกใจากไขนย่นลงมากย่นลงมาหาใจคือกัน่ะย่นมักผลในภาคเนี่ยย่นลงมาหาใจคือกันย่นออกย่นขำว่าคำว่าสงสัยขยายออกคำว่าสงสัยกระเสือกเสซนเก้าหันถึงออกไปถึงทั้งตั้งแต่โลกรธาตุกับมันเรื่องของคิดของใจนี่ท่านของคิดของใจที่ไปทำดีทำซัวาล่วย่นเขำว่าเขำว่าหาใจของเก้ากเอา ตาหงุจมูเรียนกายกับว่าต้องเอาแล้วคําเราทั้งกายกับใจเลยเป็นทุกการณีบาสคําเรากายว่าใจใจกับเป็นที่การณีบาสนี่บาสแปลว่าบทเลยบดของกายของวาใาของใจคําเราเป็นที่อนิญาักซีเป็นต้นเราพิจาราค้นหาเป็นต้นเราพิจารกาตาหงุ่งจมูกเรียนกายใจกับว่าของเก่ากันละอันทำดีทําชั่วอะไรก็ได้นั่นนั่นทำดีก็ทําให้ใจทําชั่วก็ทําให้ใจพวกมีปัญญาพยายาณละชั่วทำดี เพียอนในทางทางพุทธศาสนาะเพียอนละบาปบำเพ็ญบุญเป็นคําสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายเพียอนละชั่วทําดีเป็นคําสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายก็มีค้อไม้อันเดียวกันอรนร้อนเนี่ยเขาเพิ่นบห่หายว้ายเนาะครับหายพรานแทรกอรนร้อนมาจะไสก่อนเนี่ยมาจะไกลไปไหนก่อนฮะพุทธสว่างเรียนนี่มันคาไปสิามาว่างเรียนนี่นบอผพู้ถึงเมื่อบ้านครับมันก็พราะแหงอะ่ะเอา้าหายพรอนเนาะเนาะ ยถาวานิวาาปุราภิภูริปริยทิสากัลังเกยงววาตตินไปตานังอุปกาปฏิจิตังมุิตังตุมังคิปเมวะสมิจตุสเพปุริยตุสังคปะกันโทปนารโสยะถามณีโธิราชโสยถาสภีตโยยวาจันตสัพโตคสพปโยสโลวินัสสัตตุมาเตวตนตรายโสขีีคาโยโกเพอภิวาสนสีิานิจังุทาปจายโนจตารุตมารวัตันติอายุวันโนสุขังพลังด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้ามมีประมาณนี้ก็ทรงมีอยู่ทุก ด้วยแม้ขึ้นอยู่กับผู้รู้เลยไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อเลยไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกท่านหน้าที่ได้มาในที่นี่พอดีไม่ได้มาในที่นี่พอดีจงประสบแต่ความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนทุกท่านหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเธอเนาะมู่เฮามู่เฮาสิค่อยละไปได้รเรากิเลสอ่ะเฮาฮัดปั่นง่าปั่นง่าขึ้นมาหลายมันก็ละไปเองมันคือเฮามืดตาเนี่ยมืดต้นหานีไปเองวันดอก แต่ถ้าบ่มืดเข้าบ่มืด ม, มันก็บยันหงเขาคอยเขามืดตาไปมันกับหนีไปเองมันฉะนคือกันเขงาปฏิบัติทิศธรรมมันกับห น, นีไปแลหละธรรมะสัมผัสที่พ้นถูกได้กุกคนบ่อืดเจเนียรให้ปรัรถนาปรัชนาเป็นสาวกกะได้ปรฒชนาเป็นชุขชัยพระตะโกติวิทโตชะชเพินโดปิามิทพตะโตได้ทั้งนั้นปรัถนาสาวกเบืองใต้ยบังขวาก็ะได้ทั้งนั้นบ่ดปรันาพระพจิกกได้ปรัชนาพระธรรมาธพุทธเจ้าก็ได้ไล้แต่ความประสงค์ของภัยของมัน แน่ช่างดีพระพุทธเจ้าว่างไปหมดแล้วคาคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจริงยงสัง่งเอาแล้วน่ามาเนี้เนาะนี่มากนะมูอตก ว, ว่นี้นี่บ่แค่นี่มิจักองค์นี้ํากันอยู่วันเดียวกันบ่นัตถุนิยมเราก็ชมมาไดอ้อยู่แต่อยู่อู่องคลอน้สังพอได้วัตถุในนิยมมาในฟังที่ชอบแล้วรีบปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ซ ะ, ะว่าจะสั่นหน่อของพระพุทธเจ้าอน่ยไปติดด้วยเจ้เพียงแค่นั้นว่างสั่นหนอ่อ เพราะซ่งว่านั้นมันโยใต้อำนาจอนี้จงมันบ่มันบ่เที่ยงว่าท่านเนาะขณะในวัตถุในย่อมมากพอเป็นเสบียงพริ้าบัสฮีเปรีเร่ยงพฏิเจาบัเพื่อคนทุกข์นะมระทาสงสารจะมาเกิดแก้แ็บใจอีกมากว่าท่น้พระพุทธเจ้าสร้างมาไม่ได้มากที่อางไขกับมี่หกอสงไขเกับมี่สิบหกอแปดอาศงหกอาศงไขเกับมี่แปดอสงไข่กับมี่สิบหกอางไข่กับมี่ห้อยมือเข้ากับว่าไปตักน้ำในพ้นจิน เพื่นเมตตาโกรนาสัตย์ทั้งหลายย่อมเอสียสละันปปนั่นะเพื่อจะค้นรื้สัตว์ออกอากว่าตาสงสารเพราะมันทุกข์มากได้เท่าทอเขางัวงเนี่ยปยังดีอยู่สุ่มคนงวงฝากไว้ไพราะพุทธเจ้าองค์อื่นๆต่อไปยังดีก็ไม่ได้เอาขืนไว้สัมภานว่าเหตุนั้นพราะพุทธเจ้าจึงได้ร่องทุ่นเหนือเพิ่มมัดทั้งมหาเมตตาโกรนาโน่เฮาไม่ได้ปฏิหารับบรรพุ พ, รพุทธเจ้าไม่ได้ปฏถนา เปนพระพัเจกวัดท่สร้างวัดนี้รายภายในรอผู้ส ร, ร้างบัดนีพระพัฒเจกันสองอสงไขยกับแสนกับพระพัฒเจกพระพัฒเจกก็มีปัญญาทิกะศัทธาทิกะวิริยทิกะคือกันสาวกก็คือกันพระสมานธรรมพระเจ้าคือกันนึกขึ้นแล้วก็ล่วงไปนี่เป็นอันนี้จังอันละเอียดเล่าออกมาแล้วก็ล้วงไปนี่อนันจังอันละเอียดร่วมหายใจเขา่า พ่อเฮาหุ่จักรก็ลมหายใจเข่ามันก็เป็นอันนี้จังแล้วเมื่อกายเป็นกลางร่มมาเป็นท่ายกลายเป็นท่ายร่มล้วก็หายออ ก, กมาเป็นต้นร่มกลางร่มท่ายร่มเลี้ยนกันอยู่ซํานั่นสังขารทั้งหลายก็เป็นนิ้วจังสั้นพระนิพพานบัณฑมาเกียวน้ำบัณฑมาตอนนับนําจริงอยู่ไฟเสิรูปว่ารูปก็ไม่เป็นปัญหาสังขารกันไฟเสืรูปว่ารูปก็ไ่เป็นปัญหากิงอยูสัน้นไม่มีกระเวนขึ้นที่สอนให้ลูก้ก็เพาะไม้คว้ า, มาไม้ยาแปหลงวงมาให้รู้ตามเป็นจริงให้ส่งคืนซัก ยใจกาทรงคือนหายใจกายกาทรงคื่นหากายอย่าเอาไปเอาเพิษเอาถือนั่เมธะนาทรงเคืนหาเวธนาค้อมสวยอารมณ์ทุกทุกเบีขาจิตกระทรงเคื่นหาจิตท่ามก็สรงคืนหาท่ามอย่าไปยึดไปถือว่าเป็นเล่าเป็นเขาเป็นทัพ์เป็นบุคคลมาั่นอันนี้ไม้ความมาผู้ปัจจบัิบ่าแลไม้แกามาแล้วหวังสิฝนทุกข์ในปัจจุบันาสตร์้องพี่กราหสั่นเห็นั่นผู้พิจารณาพิสิตนทุกข์ในมาระสงสารคน ปฏิตายเพื่อนจังพี่กันน่ะเป็นแต่สักวารูปเป็นแต่สักว่าเห็นเราพร้อมกับลมหายใจเขาออกวิญญาณปฏติสันติของเพื่นมันกับ่มมีมันไปต่างเพื่นเขาสูงเนิพานใช่ไหมทุนนันบาลมีแก่ข่าวมาแล้วนะเป็นแต่สักวารูปเป็นแต่สักว่าเห็นเราไม่ใช่ผู้รู้ผู้รู้ไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่ผู้เห็นผู้เห็นไม่ใช่เราเป็นแต่สักวารูปเป็นแต่สักว่าเห็นเป็นแต่จักสักวา่าจิตเป็นแต่สักวา hygiene, ่กวาธรรมวิญญาณปฏิสนติเพื่นก็บ่ัปฏิยับยังมันไหนว่าเป็นเล่าเป็นเขาเป็นซ้าเป็นพวกคน มสั่นกูนที่าสัมพันธูนยเพิ่งกับว่าไปจับเพิ่งกับบ่อสคัญเอาเพิ่นปล่อยเพิ่นกับว่อสาคัญเอาเพิ่นรูเพิ่กับ่อสคัญเอาเพิ่นปล่อยเพิ่นว่างขั้มาจิงมันวางเองเพิ่นรูท่านนคือเขามื่อตาสมันเห็นหงมันวางเองว่าแต่ไรคั้ววางนี้วางอย่างทุกขามื่อตาเลยจิทําใมห้มันเห็นหงก้อนสัตว์วาเดวานี้เมื่อตาแล้วมันงเห็นหงโลดเวนไว้ตาฟางเว้นไว้ตาที่มืดว่านนั่นลองสีลดมันจะเข้าใจง่าย คนละคนว่าจะต้องเก็บให้ว่างจะตทําเก็บให้ว่างวาเป็นบุคคลาภิฐานคือเขารู้ตามเป็นจริงมันว่างเองมันมันไม่ไปทํากียร์อะมันว่างเขารู้ตามเป็นจริงนะถ้ารู้ตามเป็นจริงว่าดินมันไม่ได้สําคัญนะมันเป็นดินเนี่ยมันบอลสันเดย์สำคัญนะมันเป็นดินของผู้ไหนมันกับประเด้สําคัญนะมันซื้อเป็นดินมันก็บปได้ว่ามันเป็นดินครับเขารู้ตามเป็นจริงนะมันกับว่างที่ฮะมันไม่ได้สําคัญนะมันเป็นดินสำเนียงพรไปีขี่ไส้มันกับประว่า แต่ไปเาไฟมันกับบัาให้ยิดใจเขาโม่ห้องผา้ปานนั้นกับผู้พันเนี่ยมึงผู้จักกูมันตอกปากแค่ว่าเรียบเพราะวา่า <c oughs> ก็ปดัดนใครเลยว่ามันไปเอามันไปเอาลูกกระสุนบลน่ะเราไปไซด์กับผูาไปแล้วก็มาหาผู้บอกผู้ฟังเนี่ยความดีควา ม, ววาม่วน เราใชแดดใชรามันก็บวะไปเราส่งไปใช้มันก็บวไปมันเคืนมหาภูอ๋อกับูฟังอย่ว่างเลยนะภูภบอ๋อกับภฟังมันกับเคืนมหารือะความหลงมันวะไปบนไหนเนี่ยมันมีมันอยู่ความหลงมันกับมาหาอยู่ในใจของสัดทั้งหลายนี่ยใจของสัดทั้งหลายสารเหนือความหลงแล้วความหลงก็ตั้งอยู่บะไรคนนี้กันเกี่ยางงความหลงความหลงก็มาตั้งบ้านตั้งเงอนอยู่นี่ตัวพระหน้าข้าไม่ตั้งอยู่ไรน้อยอย่าเนืงความหลงพระรหัตั้งไว้วะไรลู่เท่ามันละ นู่เท่าข้อมลุงจากคลองล่ะสี่เอายังมาทำรายข้อมหลงขันว่าเอาควอมสราร์ทีเอาอันนี้มาสู่กับควอมขี่ข่านขันว่าเอาควอมมันเอาควอมมันมาสู่กับข้อมขี่ข่านสี่เอาไว้ยังมาสู่กับสัญญาขันว่าเอาสัญญามาสู่สัญญาอันควอมจำว่ามันเทียงเอาสัญญาอันควอมจำว่ามันบมเทียงมันมาต่อสู้กันอันสัญญาควอมจำว่ามันสวยมังามว่าฉันเอาอันควอมว่าสวยว่างามมาต่อสู้มัน มหาเถระชั้นที่หนึ่งคือพระสรรมาสระพุทธเจ้าทั้งหลายชั้นที่สองพระพระเจดทั้งหลายชั้นที่สามอรหันตาชีนาศทั้งหลายชั้นที่สี่พระอนาคามีทั้งหลายชั้นที่ห้าพระสกทาคามีทั้งหลายชั้นที่หกพระโสดาบันทั้งหลายพระมหาเถระทั้งหลายเหล่านี้แหละถ้าพวกเราได้ทาผิดท่าน ร่ากายกรมสมวิจีก 4, รรมสี่มนกรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พบปั่นก่อนก็ดีหรือปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในทางหน้าก็ดีขอให้พระมหาเถระทั้งหลายเหล่านั้นจงสมทดทุดโทษให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมือ่อผลทดท่ายพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความจเจริญในวราลพุทธศาสนาของพระสมัยพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อเทินในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาในมาก็ดี ถ้าได้ทำผิดกันด้วยกายและคำสามคำสี่มโนคำสามอันใดอันหนึ่งก็ดีหรือตัวทั้งใจโลกธาตุก็ดีตาฝ่ายต่างให้อโหสิกรรมแก่กันและกันทุกทันหน้าอยู่โดยทุกเมื่อคนทุกท้ายพวกเราทั้งหลายทุกทันหน้าอยู่โดยทุกตัวทั้งใจโลกาจงประสบแต่ความสุขความเจริญในวระพุทธศาสนาของพระศาสดาพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบทุกทันหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเชิญอาขุมแห่ฮิปเมตราภิตาบาง ยัตสัปปังกตังกัมังกุสเรนทะพิยัติโสมังโรกังวะภาษิติวัคุโตจันติมาอะวิวาทนาสีฤทธิสังญมุตตาประชายโรจตารูธัมมาวัชันติอายุวันโนสุขังภากรังมู้เฮาเกิดมาพุทธมาพบพุทธศาสนาหาพระพุทธศาสนาหาปรสไซขบพ่อมาทาเห็นผลว่าเห็นจวหัวใจ ใจถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็โยนใจรรมศาสนาสังฆศาสนาทกันพุรลค้นวาลายผีให้แน่ว่าท่านนปูนงปูลายผีให้แน่ว่าท่นผีปรมีแกผู้มาถือบาประมิ่แกผู้มาทำผัวมีไรบ่มีแกผู้ย่อมเปลี่ยนโสดถือผีผีก็โยนห้ยใจถือพระพุทธมาสงค์พระพุทธธรรมปรสง์ก็ยนห้อยใจพอใจเป็นผู้ถือผู้ใจเป็นผู้เข้าร มูเห่าเกิดมาพบพ่อธศาสนาของพระสมมาพระพุทธเจ้าของเห่านะก็มาพบมาพ่ออยู่ในคิดในใจพราะคิดใจเห่าเหลื่อมใส่สัทธามันไม่เหตุไม่ผลเหาจึงเหลื่อมใส่สัทธาคันว่าได้พระรหัสรหัสเห่าเกษมว่าเอาข่าวแม่นพ่อได้เป็นนิสัยน้ำพึ่งขัยังดีอยู่ออมึงเห้มึงเฮ็ดไปใช่ไหมท่านมึงมาได้ดอกพระรหัสท่านขันว่าได้พระรหั์พระหน้าข้ามีว่าเอาวะมาได้พระหน้าค้ามีทศกัณฐ์า้ามีว่าเอาวะ เมื่อไรพระสกาฆามิค่ะพระสวัสดบาลก็เอาบอกเมื่อไรพระสวัสดิบาด้วยอำนาจผลท่านผลเียงผลพระวนาในไปเกิดเทวโลกพมาโลกว่าเอาบอกใครเมื่อไ้หันก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์น้ำพ่นว่าเอาบอกหรือที่เอาก็ะเจาะมรรคหกนั่นอุกมาคือเทาเห็ดหน้าไเมื่อเฮ็ดไปไสก็เห็ดไปเห็ดไปเกิดก็ื่อไรเป็นเศรษฐีดอกไม้กันเมื่อไรเป็นเศรษฐีก็ไ่ได้ขอควานจินกับชีวิีบอเอาละเนาะเอว่างซ้ำเนาะมันไก่เนาะ พูอยากทนทุกข์ในวันตาส่องแสงนะพิจนากองทุกข์เห็มันเบื่อมันนายสันจวบว่านากองทุกข์เจ้ามันก็ว่าพนนายกับนายแบบเย็นเย็นยังสิไรยังสิพนนายแบบผูกข้อตายตัวแมงขึ้นว่าเป็นนายอะไรนะมันสิแล้วมาผูกข้อตายอีกอันแบบนั้นนายแบบเย็นเย็นตังแมงเขียบหลาบพระพุทธศาสนาสอนสอนไม่สร้าบเคียบนะแกว่อเคยบวชทั้งห้องหรื่ อ๋ออ๋ออ๋อพระเจ้รมโอะสจุกสุกสุกสระสุกะุกพระาโอทัุกพระจุกสระสุกทั้งพระเจ้ธรรมอทั้งคอุกจุกเขามาขายถวายชีวิตต่อคุณพระธรรมสวงโดยทรงเมื่อทุกขาจองขาดได้เรื่องใดก็เรื่องใดก็ดีตามเท่าขอสรงพระยาผ่านคนทุกข์แม่ปัญจสงสารโดยทรงเมื่ออปพะเจ้าธรรมโอทั้งคปไปยินดีในพระวาร คบบัะคนบางคนบัพพืเพื่อสิอยในโลกคนบพพืเพื่อสิออกโลกบางคนจะบัพพืเพื่อปัจจัยีหลวงจีว่านป็นธาบาัตเสนาสนะและแพ้สัสหลวงพูมหาคนบันหวังจะมาเกิดแก่แคบตายในโลกนี้อีกมีเกศนานดิ้งยุงสันธพัไถ่ ไ, ไ่สงสัยจะทืออนลักภูมหมาจะพัดมือพันบวพก่อนมันชักร้กอันจักเกศธนาของเพน เพิ่นมาสงสัยในโลกทั้งผัวงเพิ่นมาสงสัยว่าสิอยากมาเกิดแก่เก็บตายในโลกอันนี้อีกปัตนามรดสมบัติสวรสมัติพุทธสมบัติอย่างเพิ่นเพิ่นมันเศร้าอยากไดเลยเนี่ยมันเต็มแล้วอันนี้ก็ได้หมดแล้วเศร้าอยากเพิ่นยิ้มแหละตัณหาความทยอทานอยากได้เชื่อว่าสมุทัยเพราะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดไม่มีกามาตันหาพระตันหาเวทภาวะตัณหาก็ไม่มีพรท่านข้ามไปแล้ว ปัญญาขององค์ท่านเหนือความหลงของตนแล้วปัญญาขององค์ท่านเหนือความหลงของเจ้าตัวไปแล้วมีแต่ทำเมตในน์อยู่ที่ดวงใจไม่มีกิเลสเข้าไปใกล้จะแก้บ่ะพุทโธธรรมโอทั้งโคพุทโธธรรมโทั้งโคพุทโธมโทั้งโพทธธรรมโทั้งโคนิพพานพุทธคำสองนิพพานพุทธแช่ธรรมแช่สองแท่คือพระนิพพานพุทธคำสองเบื้องต้นคือสุวติปโน พุทธธรรมสมเ์คคือพระอรหันต์พระอรหันต์สี่จำพวกสมาสัพพุทธอรหันต์ปัจเจกอรหันต์สาวกสาวาอรหันต์พุทธธรรมงสมไปรวมจิวที่พระในพานพุทโธธรมโสโคพุทโธธัมโสมโเอ้าผู้อื่นมาจับตรนู้นเี่มึงไม่จับกูว่าหรน่ยเอมร้าจับจะมัดเสียงแม่รอแล้วผู้อื่นมาจับหัวมึงไม่จับกูวารหน่อแม่อถ้าจับจเมีดเสียงแม่เหร นี้ใจทําแม่นม่้นี้จากพระพุทธศาสนาเหหมื่อไรดอกงูเขาทั น, นี้หละเดือด้อนเลยข้าไรจิตใจ้างเหินจากธรรมะกันก็เดืดอดหอดข้าไดจิดใจว่าเหานหะทางเหินจากธรรมะมับก็บเดืดอดหออยาโอซุตี่นี้เลยไหมธรรมะถื่อมัดโลกใช่ยังไก็เถื่อมัดยาผ้านอกเขานี่มันต้องเหลืองเนีย ว่างยาว่าเธอเกิบว่าไรอันนี้บ่เนึ่ถึงท่านถึงศีลถึงพระบรรณากานได้อ็นึงก็เย็นย้อนหองท่านอรุณข้าวโลกข้าวได้ข้าวโลกห้างเหินจากศีลธรรมข้าวหนันมันก็อดละมานด้วทยทวีิบเนี่ยพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงทรงอยู่ที่หัวใจเราก็เหมือนอยู่คงชี่บด้วยพระพุทธศาสนาพิณาดลงจากหัวใจหัวใจจะอยู่ได้หรือ ใจก็เหมือนหมดหม้วยสุดชิ้นสกุลพุทธใจใดละลุกลาลวพุทธใจนั้นจะบานหน้าไปในทางที่ไม่ดีจนถึงที่สุดอยู่ทั่วการนานแลพระพุทธศาสนาไม่มีอยู่แล้วใส่กฎหมายใดๆก็ตั้งมาอยอู่ของทำไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทำความช่วยในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทำในที่รับผู้ถือพระพุทธศาสนา เป็นผู้ที่ใจสูงเป็นผู้ที่มองเห็นไกลเป็นผู้ที่มีปัญญาสว่างไสวยิยนดีในสิ่งที่ควรยินดีชนะความยินดีทั้งปวงในโลกยินดีในพระพุทธศาสนาขณะจิตเดียวชนะความยินดีทั้งปวงในโลกยินดีในปฏิบัติเพื่อพนทุกไม่ว่ตาตาสงสารขณะจิตเดียวยังยินดีกว่าขณะจิตอื่นๆล้าล่านขณะจิตผู้เห็นภัยในวตาสงสารอย่างเต็มที่ แน่ก็เลี่ยมใสในพุทธศาสนายอย่างทต็มที่ก็ผู้นั้นเปิดประตูพระนิพพานแล้วเปิดที่หัวใจผู้นั้นเห็นถูกแล้วเป็นสมาธิิในชั้นกลางแล้วผู้ที่พ้นจากกิเรทั้งพวงเป็นมหาสมาธิฐิเต็มภูมิแล้วนั่นท่าบุญท่าบุญต่ออายุคนแล้วหรือเล่าก็เป็นจริงบุญต่ออายุเนี่ย ปฏิปทานหลวงพูมันโมงี่เด้ไม่เคยพาเฮ็ดเด้แต่ว่ามูเฮ้าเนี่ยหลวงพูมาหาเพื่อนกับภาเฮ็ดดอกขอดมือเขาบ้าเพื่อนก็บอะไรจนมุมเพื่อนประเทศตั้งไว้เด้หลวงพูมาหาขอดมือเขามาเองเขาเพื่อนก็บอะไรจนมุ่มพเพื่อนก็เลย เ, เสยสู้คือเขาบ้าไ้เขาบอได้มาอนุญาตเพื่อนเด้่อดมือเขามาเองเด้ไม่ ก, มกันอะไรบัดวันทางเพื่นก็บอะไรเขาจากวายยังกว่าอันนี้เขาไปท่าบุญหลวงพูมันคือกัน่ะหลวงพูมันไปท่าบุญลูกบ้านหลวงปือ ไปแล้วงู่มันกัเขาไปว่างไงบักลกาว่ากระถิ่นทศสังกันเตยาวาชีวังสันสิเพื่อนกระ บ, บางสกุลใช่แล้วครับก็แลอกไปเพื่อาจักมาตัดที้เขาเห็นในมือนั้นพวกเขากลับกลับมาบ้านเขามากรินเขาก็ใส่เสียเออไปถ้ากรถินหลวงปู่มันเขาก็ า, กากพูดว่าทศเขาไม่เท่เป็นบางสกุลเนี่ยเพื่อน <laughs> สมัยนั้นมัื่อนก็ ม, มีคนหลายสมัยนั้น น, นั่งแยกหงส์แสดด้โคสระษีดาถนุนว่าราชสมัยนั้น ครับนายวันเขามาหน้ามุ่นแล้วก็ทั่งน้องค่ายครับมียมรอมทั่งสะกนคนนครก็มีโยมนุ่มเท่านั้นแล้วคนหัวก็มาตื้นกับประานวังหลวงปู่หมันเนี่พลานไงตะกี้มันสีไม่คายยังกับประานเนี่ยาดของไงๆเขาว่วามพ่ายงไงไงาะะายามไม่ไอ้เขาว่าพี่ปอปุ่นคนหัวก็มาตื้นว่างนี่วังตื้นกับประานวังหลวงปู่หมันเนี่ยพลาดไงตะกี้มดนตื้นเนยลยรับครับหลวงปู่มหาแดง ชี่ว่าประวัติของหลวงปู่มันนี่จะกี่บว่าเดืตดหรือเนาะเนื้นนอเห็นกับวันพระี่บ่า